ถ่าหาข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสรัรู้ข่ากิเลสไม่ตายทายกิเลสไม่หลุดวางขันใบนี้ลงไปในน้ำแล้วให้ขันใบนี้ลอยไปตามกระแสของน้ำาอาเองตอนนี้ขันเนี่ยเราเข้าใจว่าขันอันนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นขันอันนั้นจริงๆก็ได้ขันนี่คือขันห้าผมขอพูดตรงๆ ต, ต, ต, ตามทัศนะความเข้าใจของผมขันห้าคือลูกเดทนาสัญญาสังขารบญญาขันห้า เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกสัมผัสถ้าองค์เอาสติมาดูจิตใจนึกคิดครับควรกระแสของความคิดแน่ตัวหนังสือก็เลยมาพูดว่าอายตนะหกอายตนะภายนอกหกอายตนะภายในหตาเห็นรูปสวยไม่สวยอย่าไปเข้าใจให้เห็นสักว่าเห็นเท่านั้นหูฟังเสียงเพาะไม่เพาะ อ, อย่าไปสนใจมัน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 เรื่องโคมโกมโรธคโรธคมโลภโคมหลงนี่มันจะอยู่ที่ไหนท่านพระองค์ก็เลยมาพยายามดูจิต ด, ดูใจของพระองค์มันคิดขึ้นมาพระองค์ก็เลยเห็นเลยรู้เลยเข้าใจเมื่อมันคิดขึ้นมาพระองค์ก็เห็นก็นรู้ก็เข้าใจออว่าโคมโกรธโคมโลภโคมหลงมันไม่ได้มีโคมโกรธโคมโลภโคมหลงนี่ถ้าพูดอย่างนี้คงจะเข้าใจมันไม่มีในขณะมันเกิดขึ้นมานั้นเราไม่มีสติคือเราไม่รู้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 ที่คณมาพูดให้เราเกิดไม่พอใจคือความโกรธเกิดขึ้นมีทุกเหมือนกันดีใจเป็นทุกอย่างหนึ่งเสียใจเป็นทุกอย่างหนึ่งครับมันตรงกันข้ามอย่างนี้เดี๋ยวนี้เมื่อพูดอย่างนี้เขาจะถามท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรลักษณะจิตใจของท่านเดี๋ยวนี้ครับขนาดนี้ก็เป็นยังไงครับนี่เป็นปกติอันปกตินี้จะมีไหมครับมีทุกคนไหมครับรก็มีครับ อันนี้แหละลักษณะจิตใจของคนมันมีอย่างนี้มันมีปกติอันที่ไม่ปกตินั้นไม่ใช่เป็นสิ่งจิตใจของเรามันจรมาจากทางอื่นครับเนี่ยเราไม่เห็นที่ตรงนี้เนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเอาไว้ว่าให้รู้จักทุกที่คือของทุกและสมุฐานของทุกท่านก็เลยมักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เราเราเข้าใจพูดกันได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจครับ ตัวควมคิดแต่เราลู่กับตัวหนังสืออันนี้เขาว่าลู่จาครับตอนนี้คมจริงมากแปลว่าข้อปฏิบัติมกักต้องเอาสติมาดูจิตดูใจดูชีวิตของเรานี้เองครับข้อปฏิบัติก็คือเราไปไหนมาไหนทําการทํางานก็ต้องดูอยู่ที่ตรงนี้ต้องปฏิบัติอันนี้ครับเช่นข้าราชการนนตำรวจทหารก็ต้องมาดูใจิตใจของเหล่านี้ แต่ทําการทํางานตามหน้าที่เช่นครูนักเรียนก็เหมือนกันเป็นครูนักเรียนไปสอนหนังสือให้นักเรียนก็ต้องมาดูจิตใจของเหล่านี้แต่การสอนหนังสือก็สอนด้วยผวมไม่มีทุกข์นี่มันเป็นย่างครับความจริงทุกข์ไม่มีจริงๆครับผมรับรองได้ตอนนี้ครับถ้าหากเป็นยิดามาดาครับสอนลูกสอนหลานทําการทํางานก็ทําหน้าที่ของเราแต่เราไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลง สอนด้วยสติปัญญาอันนี้แหละครับคําสอนของพระเจ้าสอนอย่างนี้จริงๆครับเรื่องนี้ครับอันนี้เราไม่สนใจเรื่องธรรมะบางคนเข้าใจว่าคันธ์ท่าไปปฏิบัติธรรมะแล้วจะไม่ได้กินต้องไปนอนเสยเอยไม่ทําการทํางานอันนั้นมันเข้าใจถูกน้อยมันก็เลยไปผิดออกกับคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าขันติควมกดทนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนทุกคนทําการทํางานครับ ความขยันมันเทียนได้น้อยผสมให้มากขึ้นท่านสอนให้คนมีสติปัญญาอันนี้แหละมกักเติมข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงข่มดับทุกแต่เมื่อเราเอาสติมาดูข่มคิดนี่ครับพอได้มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บมันก็เลยไม่ได้ถูกปรุงว่มโกดข่มโรคข่มหนู ก, ก็เกิดขึ้นไม่ได้เราเคยได้ยินได้ฟังมาในตำรับตำราว่า ทำที่มีอุปกรณมากสองอย่างในหลักสูตรนักธรรมสันติอยู่ในนวมกุวาทสติความระลึกได้สัมปาชัญญะความรู้ตัวก็คือสติความระลึกได้สัมปาชัญญะความรู้ตัวนั่นเองเป็นนิมิตสมมุติว่าเราพลิกมือขึ้นควมมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลัง เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยทิปตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกลืนน้าลายทานลงไปในลูคอเรามีสติรู้เท้ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักอาสะนะได้ทุกขณะนั่นแหละคือนิมิตคือเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวทางลู ก, กายภายนอกและเรายังมีสติ อยู่กับการเคลื่อนไหวของภายในยใจิตใจฉะนั้นการเคลื่อนไหวรูปกายภายนอกนั้นคนอื่นมองเห็นได้ด้วยตาเช่นเราทิกมือขึ้นก้มมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอยียงซ้ายเอยียงขวาทิศตาอ้าปากก้มเงยหายใจเข้าหายใจออกลืนน้ําลายผ่านลงไปในลูคอเหล่านี้คนอื่นมองเห็น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 เราไปอยู่กับท่านไม่เกินปีสองปีหรือสี่ปีห้าปีก็มีการแยกย้ายกันไปถ้าเป็นคนทานนั้นถ้าเขาเป็นคนเกเรเสเพกินเหล้าเมาสุราสูบกันชาเฮโรอีนเล่นกันพ น, นันเหล่านี้เราก็แยกย้ายหนีไปได้อึดใจเดียวเท่านั้นแต่คนทานภายในจิตใจของเหล่านี้เราจะทำอย่างไร จิตใจที่มันสกปกนี่อันนี้แหละเรียกว่าคนพานคน่านคือบุคคลที่มีโมหะนั่นเองบัณฑิตก็คือคนที่ทำลายโมหะได้เมื่อเราจะเรินสติจะเินปัญญาคอยดูจิตดูใจของเรานึกคิดอะไรให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอยู่ทุกขณะจิตแล้ว เป็นผู้ที่ไม่มีโมหะแล้วไม่หลงแล้วเหมือนกันกันกบเราวิตน้ำออกจากบ่อนั้นแหละเมื่อมีอะไรตกเข้าไปในบ่อเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะน้ำไมุ่กปลกอันนี้เราไปเจริญวิปัสสนาก็ตามเจริญกรรมาฐานก็าตามต้องการความสงบเราไปปั้นน้ำขึ้นให้มันเป็นก้อนไปจับลมให้เป็นตนเป็นโตมันเป็นไปไม่ได้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 ไม่เคยเห็นความคิดของตัวเองปรุงไปมันก็เหมือนกับน้ำที่มีตมโ h o n นั่นเองเมื่อเราเห็นความคิดของเราแล้วเหมือนกับเราวิทน้ามันเป็นวิธีบวกกับลบเรื่องนี้สมมติว่าเรามีความหลงทุกคนเป็นอย่างนั้นร0อยเปร็เราไม่เคยเห็นจับต้นความคิดของเราไม่ได้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 เราก็ได้มาเปอร์เซ็นหนึ่งแล้วบันนี้เมื่อเราคอยดูอย่างนี้เราเห็นสองครงขึ้นมาเราก็ได้สองเปอรเซนมากทางนี้ขึ้นทางนั้นก็ลดน้อยลงมาเหลืออยู่เก้าสิบแปดสมมติบัด น, นี้เราเห็นความคิดของเราได้สิบเปอรเซ็นทางนั้นก็ยังเหลืออยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเราทํำบ่อยๆดูบ่อยๆ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 ความหลงผิดก็ไม่มีอันนี้แหละเป็นวิธีการบททําเพ็ญทางคำว่าสินเราไม่ต้องไปสมทานอากับใครๆมันเป็นเครื่องถนุงปรากฏขึ้นมาผมจะพูดใส่ตามทัศนะความเข้าใจเมื่อจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงขั้งที่สามนี่แหละจิตใจของเราจะเป็นปกติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เมื่อกายปกติวาจาปกติใจปกติเรียกว่าเรามีสิ่งเหมือนกับที่เราขุดน้ําบ่อเมื่อมีสิ่งที่ตกกกตกโคกตกลงไปในบ่อน้ําของเราเราใจเห็นทันทีอันนี้เมื่อจิตใจของเราปกติร่างกายปกติใจปกติเมื่อจิตใจนึกคิดก็เห็นทันทีมันก็จัดการกับกิเลสอย่างหยากได้